วันนี้เป็นวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2561เป็นวันหยุดโจทย์เยวันสเสด็จฉวนคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ผ่านมาเเมื่อวันที่13เป็นวันเสาร์ ทางราชการเลยให้วันนี้วันจันเป็นวันหยุดชดเชยเพื่อที่สาธุชนชาวไทยชาวพุทธจะได้มีเวลาไปทำบุญไปวัดวันนี้จึงเรียกว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะว่ามีเวลามีโอกาส ได้ทำบุญอีกวันหนึ่งถ้าไม่มีการหยุดชดเชยก็จะต้องไปทำงานทำการกันบุญก็จะไม่ได้ทำกันบุญนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขาต่อให้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นมหาจากักรพรรดิเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็สู้การมีบุญไม่ได้เพราะบุญนี้เป็นที่พึ่งของใจบุญนี้จะสามารถปกป้องใจให้อยู่อย่างปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ การเป็นนายกเป็นมหาเศรษฐียังต้องเจอกับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆแต่การเป็นเศรษฐีบุญเป็นนายกบุญนี้จะทำให้ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้บุญจึงเป็นสมบัติที่น้ำค่ายิ่งกว่าสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้พวกเราจึงไม่ควรที่จะลืมการทำบุญอย่าไปหลงกับการหาเงินหาทองหาตำแหน่งหาอะไรต่างๆจนลืมหาบุญเพราะถ้าไม่มีบุญแล้วใจจะไม่มีความสุขต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นมหาเศรษฐีก็ยังจะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่ ความสุขที่ได้จากเป็นมหาเศรษฐีเป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็หายไปแล้วก็มีแต่ความวุ่นวายใจเข้ามาต่อเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาสิ่งที่หามาได้แล้วเวลาที่มันจากออาไป ก็วุ่นวายเสียอกเสียใจแต่ถ้ามีบุญแล้วใจจะไม่วุ่นวายไม่ต้องปกป้องรักษาบุญที่เราหามาได้บุญนี้เป็นสมบัติของเราไม่มีใครมาแย่งเอาไปได้บุญจะให้ความสุขความอิ่มใจความสบายใจตลอดเวลาดังนั้นเราควรที่จะให้ความสำคัญ กับการสร้างบุญทำบุญอย่างน้อยก็ให้มันทำเท่าๆกับการหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งอะไรต่างๆอย่าโม่แต่ไปหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งจนลืมเรื่อ ง, ร อ, งองของการหาบุญไปทำบุญไปบุญที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราทำนี้ มีอยู่สิบประการด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วนบุญที่สำคัญเรียกว่าบุญหลักและบุญที่ไม่สำคัญป็นแบบุญสำรองหรือบุญสนับสนุนทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่บุญที่ต้องทำนี้มีอยู่สี่สี่ชนิดด้วยกัน คือหนึ่งบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมสองบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานสามบุญที่เกิดจากการไม่กระทำบาปเรียกว่าศีลและสี่บุญที่เกิดจากการพัฒนาจิตใจเรียกว่าภาวนานี่คือบุญที่จะมากำจัดความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปถ้าเรามีบุญสี่ชนิดนี้อยู่ในใจแล้วใจเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายและจิตใจร่างกายจะเป็นอะไรไปจะอดอยากขาดแคลน จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายไปก็จะไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใจผู้ที่มีบุญทั้งสี่ประการนี้ดังนั้นเราต้องมาศึกษาวิธีสร้างบุญสี่ประการนี้ว่าสร้างกันอย่างไรบุญข้อที่หนึ่งคือบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมเช่น ขณะนี้ที่พวกเรากำลังทาอยู่นี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมธรรมก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้จักวิธีสร้างบุญนั่นเองฉงนั้นก่อนที่เราจะสร้างบุญ เราต้องมาศึกษาวิธีสร้างบุญก่อนเหมือนกับก่อนที่เราจะไปหาเงินหาทองเราต้องไปเรียนหนังสือกันก่อนเราต้องไปโรงเรียนไปเรียนกอไก่ขอไข่เรียนตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาจนถึงขั้นปริญญาเพราะเราเรียนจบปริญญาแล้วเทนี้เราก็จะรู้จักวิธีหาเงินหาทอง เราก็สามารถที่จะไปหาเงินหาทองได้ตามที่เราต้องการถ้าเราไม่ร่ำเรียนเราไม่ไปโรงเรียนไม่เรียนหนังสือเราจะไม่รู้จักวิธีหาเงินถ้าหาเงินก็หาเงินแบบแบบไม่ง่ายคือใช้แรงงานของตนเองเช่นไปเป็นคนรับใช้ ไปเป็นคนกวาดขยะอย่างนี้ไม่ต้องใช้ความรู้ไม่ต้องเรียนแต่จะไปทำงานที่ต้องใช้ความรู้นี่จะทำไม่ได้ไปสมัครงานเขาจะไม่รับเอเขาจะถามว่าเรียนจบมาหรือยังถ้าเรียนไม่จบเขาก็มีแต่งานกวาดขยะให้ทำเพียงอย่างเดียวฉันได้ การสร้างบุญก็ต้องมีความรู้วิธีในการสร้างบุญจะรู้จากวิธีสร้างบุญก็ต้องศึกษาต้องฟังเทศอยู่บ่อยๆฟังเทศอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่ฟังหรือฟังครั้งสองครั้งจะลืมได้เหมือนไปโรงเรียนไปแค่วันสองวันแล้วก็เลิกไปอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับความรู้ ความรู้ที่ได้รับเดี๋ยวก็จะลืมไปการฟังธรรมจึงต้องมีการฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆสมัยพระพุทธการสมัยก่อนก็ต้องฟังอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันฟังธรรมที่เราเรียกว่าวันพระสมัยก่อนนี้เราจะหยุดทํางานในวันพระกันเพื่อเราจะได้มีเวลาไปวัดไปฟังธรรมกัน สมัยก่อนนี้ต้องไปฟังธรรมที่วัดไม่เหมือนกับสมัยนี้สมัยนี้มีธรรมะทุกแห่งทุกคนอยู่ในมือถือเราเรามีมือถือเราอยากจะฟังธรรมเมื่อไหร่เราสามารถฟังได้มีคาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระอาจารย์ต่างๆของพระพุทธเจ้า มีให้เราเลือกฟังได้ตลอด24ชั่วโมงทุกคนทุกแห่งไม่ว่าเราจะไปไหนเราสามารถที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันได้ตลอดเวลาแต่ในสมัยโบราณไม่เราไม่มีสื่อเหล่านี้ไม่มีมือถือไม่มีการบันทึกภาพบันทึกเสียง ไม่มีการพิมพ์หนังสือสมัยก่อนคนจะฟังเทศฟังธรรมต้องไปฟังสดสดสดจากปากของพระถ้าสมัยพระพุทธการก็ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็ต้องรอเวลาที่มีมเวลาว่างก็มีวันว่างก็คือวันหยุดทํางานนั่นเองถ้าต้องไปทํางานก็ไปฟังเทศฟังธรรมไปวัดไม่ได้ สมัยก่อนเลยต้องมีวันพระกันมีวันหยุดวันหยุดสมัยก่อนเขาเรียกกันว่าวันธรรมวนะัฒนาวันธรรมวนะัฒนาแปลว่าวันฟังธรรมหยุดทำงานชาวนาชาวไร่หยุดทำงา น, า น, าาลงานแล้วก็ไปวัดไปวัดก็ไปฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไปทาบุญตามที่ได้เรียน ตามที่ได้ยินได้ฟังจากการฟังธรรมว่าต้องทําบุญอะไรบ้างสมัยก่อนนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าต้องเข้าวัดทุกวันพระไปฟังเทศฟังธรรมไปเรียนหนังสือไปศึกษาวิธีสร้างบุญกันเพราะบุญนี้เป็นของที่เราไม่เคยทํากันมาก่อนถ้าเราไม่ไปเรียนเราไม่ไปฟังเทศฟังธรรม เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นการทำบุญอะไรไม่เป็นการทำบุญนี่คือการฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงถชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไร ก็จะไม่สามารถไปทํางานทำการหาเงินหาทองได้แต่ถ้าได้เรียนรู้แล้วมีความรู้แล้วก็สามารถไปทํางานทําการต่างๆไปหาเงินหาทองได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นได้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้ก็เริ่มต้นจากการไปเรียนอนุบาล น, นี่แหละ จบอนุบาลก็ขึ้นปถมจากปถมก็เข้าสู่มัธยมจากมัธยมก็ไปโรงเรียนนายร้อยจบนายร้อยออกมาก็รับยศเป็นนายร้อยตรีแล้วก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตามวาระโอกาสจนได้เป็นนายพลแล้วจนได้มาเป็นนายกตามลําดับต่อไปถ้าไม่ไปโรงเรียน ไม่ไปเรียนหนังสือก็จะเป็นคนกวาถนนอยู่ตอนนี้เพราะไม่มีวิชาความรู้ฉันใดผู้ที่ต้องการมีบุญมีกุศลอยู่ในใจก็ต้องไปเรียนวิธีสร้างบุญสร้างกุศลวิธีสร้างบุญสร้างกุศลนี่ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมนี่เองอย่างวันนี้มาฟังก็จะได้เรียนรู้แล้วว่าบุญ ถ้าอยากได้บุญนี้ต้องทำอะไรบ้างต้องฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังเทศฟังธรรมก็จะรู้ว่าต้องไปทาบุญอะไรต่อบุญที่ต้องไปทำต่อก็คือทานคือการให้ศีลคือการละเว้นจากการทำบาปภาวนาการพัฒนาจิตใจการสร้างจิตใจให้สูงขึ้นให้ฉลาดขึ้น อันนี้เป็นเป็นขั้นเป็นตอนของการสร้างบุญสร้างกุศลเราต้องรู้รายละเอียดของวิธีสร้างบุญสร้างกุศลของแต่ละวิธีวิธีที่จะฟังเทศเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นมานี่ต้องฟังอย่างไรฟังเทศนี้ฟังแล้วแบบทับพีในหม้อแกงก็ได้ฟังแบบลิ้นกับแกงก็ได้ทัพพีกับ เพราะทัพีในหม้อแกงกับลิ้นกับแกงนี้ไม่เหมือนกันทับเพีนี้อยู่ในหม้อแกงนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าแกงเป็นแกงอะไรเป็นแกงจืดหรือแกงเผ็ดนจะไม่รู้อแต่ลิ้นกับแกงนี้พอแกงไปสัมผัสกับลิ้นแม้เพียงแต่หยดเดียวก็จะรู้ขึ้นมาทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนเป็นแกงเผ็ดแกงหวานแกงจืดะ อะไรจะรู้ขึ้นมาทันทีถ้าใช้ลิ้นสัมผัสกับแกงถ้าใช้ทัพเพีไปสัมผัสกับแกงแล้วจะไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรอัในใดการฟังทำก็เหมือนการฟังได้สองวิธีฟังแบบลิ้นกับแกงหรือฟังแบบทัพเพีในหม้อแกงเอฟังแบบทับพีในหม้อแกงคือฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจเอ เรียกฟังแบบทัพพีในมอแกงได้ยินแต่เสียงเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปแต่ไม่เข้าไปในใจแต่ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงนี้ฟังแล้วจะเข้าใจจะรู้เรื่องจะรู้เรื่องฟังเข้าหูแล้วมันก็จะเข้าไปในใจต่อวิธีที่จะฟังให้มันรู้เรื่องฟังให้เข้าใจนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ ต้องไม่ทำอะไรเวลาฟังเทศฟังธรรมจริงๆอย่าไปทำอะไรอย่าไปล้างถ้วยล้างชามแล้วก็เปิดธรรมะฟังไปฟังได้แบบนี้แต่จะเป็นแบบทับผีในหม้อแกงให้ฟังแบบลิ้นกับแกงถ้าจะฟังต้องตั้งใจฟังอต้องเอาใจมาตั้งอยู่กับการฟังธรรมอย่าเอาใจไปอยู่กับการล้างถ้วยล้างชามหรือทำอะไรต่างๆ หรือไปพูดไปคุยกันเรือไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าฟังแบบนี้ก็ฟังแบบทับพทีในหม้อแกงต้องฟังแบบตั้งใจฟังไม่ทําอะไรร่างกายนั่งเฉยๆปากไม่พูดอะไรกับใครใจไม่ไปคิดเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของธรรมที่เรากำลังฟังอยู่ฟังธรรมไปแล้วก็คิดตามไป ตามเหตุตามผลของธรรมที่เราได้ยินเราก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมานี่คือจะเกิดอ น, นิสงค์ของการฟังธรรมห้าประการด้วยกันประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังธรรมห้าข้อจะได้ต่อเมื่อเราฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบกายวาจาที่สงบเราเรียกว่าศรรีลใจที่สงบเราเรียกว่าปัญญา คือสงบจากเรื่องราวต่างๆไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยู่แต่เรื่องธรรมะที่เรากำลังฟังอยู่เพียงอย่างเดียวแล้วก็จะเกิดอา น, นิสงส์ห้าประการอา น, นิสงส์ที่สาคัญที่สุดก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือความรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรนั่นเอง รู้ว่าการทําบุญนี้ทําอย่างไรเรียกว่าสัมมาทิฏฐินอกจากสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและบุญจะเกิดขึ้นได้ด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันนี้สงของการฟังธรรมนอกจากสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะได้ยินได้ฟัง ทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อเราฟังซ้ำอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะกำจัดความสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้เช่นทำบุญไปทำไมทำทานไปทำไมนักษาศีลไปทำไมนั่งสมาธิไปทำไม ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วจะรู้ว่าทำไมต้องนั่งสมาธิทำไมต้องฟังเทศฟังธรรมทำไมต้องทำบุญทำทานทำไมต้องรักษาศีลความสงสัยต่างๆเหล่านี้จะหายไปหมดแล้วจะทำให้เรามีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานจิตใจสงบมีความสุขแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าบุญนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของเราได้นอกจากไม่กำจัดแล้วยังกลับมาเพิ่มความทุกข์ความวุ่นวายใจให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีก ยิ่งมีอะไรมากก็ยิ่งวุ่นวายใจมากขึ้นไปเพราะต้องคอยดูแลรักษาคอยปกป้องคอยหามาเติมคอยกังวลอยู่กับสิ่งที่มีอยู่นี่คือการฟังเทศฟังธรรมแบบลิ้นกับแกงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วความรู้ต่างๆที่เรา ได้ยินได้ฟังก็จะเข้าไปในใจของเราแล้วมันก็จะสอนเราบอกเราว่าเราต้องทำอะไรต่อไปแต่การฟังธรรมนี้ก็ต้องฟังบ่อยๆเพราะว่าถ้าฟังหนเดียวเดี๋ยวเราก็ลืมได้พอเราไม่ได้ฟังธรรมเราก็ไปทำงานทำการไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ความคิดเหล่านี้มันก็จะมากบธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเราจึงต้องพยายามฟังบ่อยๆฟังเดี๋ยวนี้ฟังได้ทุกวันฟังได้ทั้งวันทั้งคืนถ้ามีเวลาว่างเอาเวลามาฟังธรรมจะได้คุณได้ประโยชน์กว่าเอาเวลาไปดูหนังดูละครเอาเวลาไปเล่นเกมเอาเวลาไปทำอะไรต่างๆ ที่ไม่มีคนค่ามีคนประโยชน์เท่ากับการมาฟังเทสฟังธรรมถ้าเราฟังบ่อยๆเราจะไม่ลืมนั่นเองยิ่งฟังยิ่งจะจําได้พอยิ่งจะจําได้เราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรถ้าเราจําไม่ได้เดี๋ยวเราลืมเราก็ไม่ไปทําบุญกันเราก็จะไม่ทําในสิ่งที่เราควรจะทํากันไปทําในสิ่งที่เราไม่ควรจะทํากัน เกิดไปหาสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์แก่จิตใจไปหาเงินทองมากกว่าที่เราต้องการจะใช้ได้มีเงินมากเกินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงินทองนี่มีคุณค่าสำหรับการเลี้ยงดูร่างกายนี้เท่านั้นเองมีเงินมีทองเพื่อให้เรามีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรค ถ้าเรามีปัจจัยสี่พอแล้วมีมากไปกว่า น, นี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้มาทำให้ร่างกายสุขมากขึ้นแต่อย่างใดไม่ได้มาป้องกันหรือมายุติการแก่การเจ็บการตายของร่างกายได้ฉันั้นมีเงินมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจะทำให้เสียเวลาเปล่าๆเอาเวลาที่ไปหาเงินหาทองนี้มาหาบุญดีกว่ามาทาบุญดีกว่า นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญอย่างหนึง่งเพราะฟังเทศฟังธรรมแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจสบายใจความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจะหายไปในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทาบุญกี่ข้อต้องทำอย่างไรบ้าง ข้อที่หนึ่งที่เราต้องทําหลังจากที่เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็คือเราต้องทําทานเงนทานแปลว่าการให้ให้ในสิ่งที่เรามีมากเกินไปสิ่งไหนที่เรามีมากเกินไปเราแบ่งให้คนอื่นได้ให้คนอื่นเขามีความสุขจากของที่เราให้เขาได้ให้เขาไปเถิดเสื้อผ้าล้นตู้มาเก็บไว้ไม่ได้ใช้ เอาไปจากคนขอทานกันนะคนที่ก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่คนที่ไม่มีรองเท้าใส่ถ้ามันมีมากแล้วเราไม่ได้ใช้มันเก็บมันไว้ทําไมมีเสื้อผ้าเต็มตู้แต่ใช้ไม่กี่ตัวอเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้นี้นานทีปีหนอาจจะหยิบประสยสักครั้งหนึ่งถ้าอะไรที่เราไม่ได้ใช้ภายในสองสามเดือนนี่ก็ยกไปให้คนอื่นดีกว่า เก็บว่าแต่ของที่เราจําเป็นจะต้องใช้เท่านั้นการให้นี้ก็มีหลายอย่างที่เราให้ได้ให้ข้าวของเงินทองก็เป็นการให้อย่างหนึ่งเรียกว่าวัตถุทานถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองจะให้แต่เรามีความรู้เช่นเรามีเราไปเรียนหนังสือเราจบป ร, ริญญาเรามีความรู้ ถ้าเรามีเวลาว่างเราจะเอาความรู้นี้มาสอนเด็กก็ได้สอนเด็กที่เขากำลังจะไปสอบเอ็นทาร์อย่างนี้ก็ให้ความรู้เขาสอนพิเศษกันโดยที่ไม่เอาสตางสอนฟรีๆถึงจะเรียกว่าเป็นทานเป็นการให้ถ้าสอนแบบเอาเงินเอาทองนี่ไม่ถือว่าเป็นทานต้องสอนแบบไม่เอาเงินเอาทองให้ประโยชน์แก่ผู้รับ ไม่รับประโยชน์จากผู้รับเราไม่ต้องการรับอะไรจากผู้ที่เราให้อยากให้เขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขในสิ่งที่เรามีอยู่ในสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันไปให้สมมติว่าถ้าเราอยากจะทำบุญแต่เราไม่มีเงินทองเงินทองเรามีก็พอมีไว้สำหรับรั ก, รกษาดูแลเลี้ยงดูร่างกายเรา ถ้าให้ไปแล้วเราจะเดือดร้อนเราก็ให้ไม่ได้แต่เราให้อย่างอื่นได้เส้นสมมติเสื้อผ้าข้าของที่เรามีอยู่ในบ้านมันมีมากเกินไปไม่จําเป็นให้ผู้อื่นไปก็ได้หรือถ้าไม่มีข้าวของมีวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านไหนทางภาษาก็ได้ภาษาจีนภาษารัสเซียภาษาอังกฤษ ก็เอาไปสอนคนที่เขาอยากจะเรียนรู้ภาษาก็ได้หรือวิชาทางคณิตศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์อันนี้ก็สอนได้ให้ได้การให้วิชาวความรู้นี้เราเรียกว่าวิทยาทานให้ให้ความรู้ให้วิทยาทานแปลว่าการให้วิทยาทานก็แปลว่าการให้ความรู้ ให้วัตถุเข้าของเงินทองก็เรียกว่าวัตถุทานให้เสื้อผ้าให้เงินทองให้แก่คนที่เขาขาดแคลนอดอยากหรือคนที่เขาเดือดร้อนเช่นเกิดภัยทางธรรมชาติน้ําท่วมไฟไหม้บ้านไม่มีอยู่เสื้อผ้าไม่มีใส่อาหารไม่มีกินเขาก็ต้องอาศัยวัตถุทานให้ข้าวของเงินทองเข้าไป ให้เสื้อผ้าให้อาหารอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำทานแล้วทำทานนี้ไม่จำเป็นจะต้องเลือกทำกับพระอย่างเดียวถึงจะเป็นบุญทำกับใครเป็นบุญเหมือนกันบุญเป็นผลที่เกิดจากการทำทานบุญคือความสุขใจอิ่มใจที่เราได้เห็นคนที่เขาได้รับประโยชน์จากการกระทำของเรา เขาเดือดร้อนเราไปทำให้เขาหายเดือดร้อนเราจะเกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมาจะทำกับพระก็ได้จะทำกับคนที่ไม่ใช่เป็นพระก็ได้ทำกับคาวาะญาติโยมทำกับพี่น้องก็ได้ทำกับพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่ของเราก็เป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของพวกเราถ้าพ่อแม่เดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือพ่อแม่ก่อน แต่ถ้าพ่อแม่ไม่เดือดร้อนแล้วท่านอยู่ดีกินดีแล้วเราก็ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อคนอื่นต่อก็คือญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเราก่อนใครเขาเดือดร้อนเราก็ควรช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาอยู่ดีกินดีเราก็ไปช่วยคนที่เราไม่รู้จักต่อไปคนที่เขาเดือดร้อนได้บุญเหมือนกันไม่ว่าจะทำกับใคร เพราะว่าการทามันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับมันอยู่อยู่ที่เราให้อยู่ที่สิ่งที่เราให้ให้มากให้น้อยอยากได้บุญมากก็ให้มากอยากได้บุญน้อยก็ให้น้อยไม่ได้อยู่คนที่รับว่าเป็นพระหรือเป็นคาลวาเป็นคาว่าอย่าไปคิดว่าให้กับพระแล้วได้บุญมากกว่าให้กับคาลวาาอันนี้ไม่ใช่บุญที่เกิดจากการให้ไม่ได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่ปริมาณของการให้ ว่าให้มากให้น้อยเหมือนกับการรับประทานอาหารจะอิ่มมากอิ่มน้อยมันไม่ได้อยู่ที่ไปรับประทานอาหารของไข่ไปซื้ออาหารชนิดไหนมารับประทานอิ่มมากอิ่มน้อยอยู่ที่ปริมาณของอาหารที่เรารับประทานรับประทานมากก็อิ่มมากรับประทานน้อยก็อิ่มน้อยไม่ใช่อยู่ที่ว่าไปซื้ออาหารจากร้านนั้นหรือร้านนี้มารับประทาน ร้านนั้นกินแล้วจะอิ่มมากกว่าร้านนี้มันไม่ใช่มันกิเลมันอยู่ที่ปริมาณของการกินการทําบุญก็อยู่ที่ปริมาณของการให้ให้มากก็จะสุขมากให้น้อยก็จะสุขน้อยถ้าไม่เชื่อลองไปทําดูแล้วสังเกตดูว่าใจจะรู้สึกอย่างไรผลที่เกิดขึ้นเกิดทันทีบุญนี้ไม่ต้องรอให้ตายไปถึงจะเกิด เกิดขึ้นทันทีในขณะที่เราทำบุญถ้าเราทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเข้าใจว่าเราทำทำเพื่ออะไรทำเพื่อบรรเทาทุกข์ทำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือศัพท์เดรัจฉานก็ตามพอเห็นเขาได้เกิดความสุขความสบายจากการกระทาของเรามันก็จะทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาในใจทันทีอันนี้เกิด วิธีทําบุญมีมีทำได้หลายรูปแบบด้วยกันให้ข้าวของเงินทองก็เรียกว่าวัตถุทานให้วิชาความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทานให้อภัยก็เป็นการทําทานอย่างหนึ่งเวลาใครก็ทําให้เราโกรธทําให้เราเสียใจถ้าเราให้อภัยได้ใจเราจะหายโกรธหายเสียใจ ความทุกความเศร้าหมองที่เกิดจากความโกรธความเสียใจจะหายไปอันนี้ก็เป็นการทําบุญทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาได้อย่าไปจองเวรจองกรรมใครอย่าไปอาฆาตพยาบาทว่ามันจะทําให้จิตใจเราเครียดจิตใจเราทุกข์จิตใจเรารุ่มร้อนเวลาโกรธเกลียดใครเวลาพยาบาทใครนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเป็นการกระทําที่ทําให้เขามีความสุขก็ให้เขาไปอย่าไปทื้อโทษโกดเคืองเขาเหมือนกับเราทําบุญเราทําบุญก็เพื่อที่จะให้เขามีความสุขเราให้ข้าวของเงินทองเขาไปเขามีความสุขเราก็มีความสุขจากการเห็นทว่าเขามีความสุขถ้าเขาด่าเราแล้วทําให้เขามีความสุขก็ปล่อยเขาด่าไปให้เขา อยากเต็มที่เราอย่าไปโกรธเขาคิดเสียว่าเป็นการทําบุญทําทานไปให้อภัยไปถ้าเขาไม่มีข้าวกินมาขโมยข้าวของเอาไปกินะก็อย่าไปโกรธเขาเขาหิวเขาไม่มีข้าวกินเราไม่รู้ว่าเขาหิวถ้าเรารู้เราก็อาจจะไม่เราก็จะอาจจะให้เขาไปก่อนเราไม่รู้เขาก็เลยมาขโมยข้าวเราไปกินะ จากเขาขโมยไปก็แล้วกันไปก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปเอเราก็จะไม่โกรธหรือเขาจะมาเอาแฟนเราไปเราก็ไม่โกรธแต่แฟนของเราอยากจะไปอยู่กับเขาเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขามีความสุขก็ให้เขาไปให้ใหอภัยกันไปไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยก็ต้องตายจากกันอยู่ดีอแฟนเราก็ไม่ใช่เป็นแฟนเราไปตลอดะ ทุกวันหนึ่งก็ต้องมีวันที่จะต้องตายจากกันไปให้อภัยให้อภัยกับทุกเรื่องทุกอย่างแล้วใจจะมีความสุขใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เครียดความอาฆาตพยาบาทเนี่ยเป็นตัวอันตรายต่อจิตใจการให้อภัยนี่แหละเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะจะทําให้ความอาฆาตพยาบาทหายไปความรุ่มร้อนความทุกข์ภายในใจหายไป จะนอนหลับสบายถ้าเราให้อาภัยได้ถ้าให้อาภัยไม่ได้นี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะใจจะคิดแต่ล้างแค้นอย่างเดียวจะทํายังไงทําให้มันตายให้ได้ทํายังไงทําให้มันเจ็บให้ได้คิดอยู่อย่างนี้แล้วถ้าไปร้างแค้นเดี๋ยวก็มีเรื่องยาวไปอีกไปไปไปเขามาด่าเราเราไปด่าเขาเดี๋ยวเขากลับมาตีเรากลับมาตีเราแล้วก็ไปฆ่าเขา ถ้าเขาเดียวยากพี่น้องเขาก็มาตามข้าเราแม้นตำรวจก็มาตามจับเราไปติดคุกติดตารางไปปะหารชีวิตต่อไปอ่นี่คือประโยชน์บุญที่เกิดจากการให้อภัยอภัยทานรม้าบุญการให้ยังมีอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าธรรมทานอ่าธรรมทานคือให้ธรรมะนี่แหละให้คําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเราอ่านหนังสือธรรมะแล้ว เราเห็นคุณประโยชน์ของหนังสือที่เราอ่านอ่านแล้วทำให้เราดับความทุกความไม่สบายใจต่างๆได้ทำให้เรารู้จักวิธีสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นม า, าถ้าเราเห็นคนที่ก็ไม่มีธรรมะเราให้หนังสือธรรมะเข้าไปหรือคนที่อยากได้หนังสือธรรมะคนที่อยากจะเรียนรู้ธรรมะแต่ไม่มีหนังสือเรามีหนังสือธรรมะที่เราอ่านแล้วที่เราไม่จาเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ เราก็ให้เขาไปก็ได้หรือว่าถ้าเรามีเงินมีทองเรามีฐานะดีเราเห็นว่าหนังสือธรรมะนี่มีคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อ่านผู้ศึกษาเราก็พิมพ์แจกธรรมะก็ได้เรียกว่าเป็นธรรมทานการให้ธรรมะนี่ท่านบอกว่าเป็นการให้ที่ดีที่สุดเหนือกว่าการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง เพราะธรรมะมีคุณค่าประโยชน์ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าวัตถุทานมีคุณค่ายิ่งกว่าวิทยาทานมีคุณค่ายิ่งกว่าอภัยทานเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะเราจะไม่รู้จักวิธีให้ว่าให้อย่างไรนั่นเองเราจะไม่รู้จักวิธีทำทานกัน ธรรมะเป็นความรู้ที de ่จะทําให้ผ well ู้มีความรู้นี้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ท่านถึงถือว่าธรรมะนี้มีคุณค่ากว่าธรรมะนี้เป็นหนึ่งในพระรัตนะไตรเรียกว่าธรรมรัตนะรัตนะก็แปลว่าเพชรนี่เองเพชรน้ำหนึ่งคือรัตนะ มีคุณค่าราคามากยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีเงินก็เงินทองกองเท่าภูเขาก็สู้ธรรมะไม่ได้ตําแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็สู้ธรรมะไม่ได้มีเงินทองก้อกองเ ท, ท่าภูเขาก็ยังดับความทุกข์ใจไม่ได้มีตําแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้มีรางวี่รางวัลได้เหรียญอะไรต่างๆมา เหรียญทองก็แล้วแต่ก็ดับความทุกข์ภายในใจไม่ได้แต่ถ้าได้ธรรมะมาแล้วนี่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้เลยการให้ธรรมะจึงถือว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคามากที่สุดนั่นเองนี่คือเรื่องของทานที่เราควรจะทํากัน ็วรจะทำทานเหมือนกับการรับประทานอาหารร่างกายเราต้องการรับประทานอาหารวันละสามมื้อใจของเราก็ต้องการอาหารคือทานเพราะว่าเวลาเราทำทานแล้วใจเราจะอิ่มนั่นเองใจเราจะสุขใจอิ่มที่ใจเราหิวเราโหยกันเพราะเราขาดการทำทานนี่เองและเวลาเราหิวใจเราหิวแทนที่เราจะไปทำทานเรากลับไม่ไป เรากลับไปซื้อของที่ทําให้ใจนี่หิวมากขึ้นมาเสพกันเหมือนไปซื้อยาเสพติดเวลาหิวข้าแล้วเราไปซื้อยาเสพติดเสพแล้วมันทําให้ท้องอิ่มหรือไหมมันไม่อิ่มมันอาจจะทําให้เกิดความสุขความสบายใจเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวมันก็หิวขึ้นมานนการที่เราเอาเงินทองไปซื้อของต่างๆตามความอยากตามความหิว หิวลูบเสียงกินรดกาแฟซื้อลูบเสียงกินรดมาเสร็จมันไม่ได้ทําให้ใจเราอิ่มมันกลับทําให้ใจหิวขึ้นไปเรื่อยๆพอได้เที่ยวแล้วมันก็อยากจะเที่ยวไปเรื่อยๆพอได้ซื้อของอะไรมาแล้วก็อยากจะซื้อไปเรื่อยๆซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าอยากให้ใจอิ่มให้พอเอาเงินที่จะไปซื้อของเหล่านี้ไปทําบุญเอาไปให้ทานะ เอาไปช่วยเหลือคนอื่นเอาไปบริจาคให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลเอสถานสงเคราะห์ต่างๆอันนี้จะทําให้เราเกิดความอิ่มใจขึ้นมาสุกใจขึ้นมาั้นเราจึงหัดควรหัดทําบุญทุกวันเหมือนกับร่างกายที่ต้องกินอาหารทุกวันใจก็ควรที่จะมีการทําบุญทําทานทุกวันเอ สมัยก่อนหมู่บ้านเขาจะมีวัดทุกหมู่บ้านจะมีวัดจะมีพระมาบิณฑบาตกันทุกวันชาวบ้านก็จะได้มีโอกาสได้ทำบุญทุกวันสมัยนี้เราอยู่ในบ้านเมืองใหญ่โตบางแห่งก็มีวัดบางแห่งก็ไม่มีวัดถ้าเราอยากจะทำบุญใส่บาตรล้วก็อาจจะไม่ได้ทำเพราะไม่มีพระมาบิณฑบาตแต่เราก็สามารถทำบุญใส่บาตรได้ด้วยการ เอาเงินที่เราจะใส่บาทนี้ใส่กระปุกเอาไว้ก่อนทุกวันเราอยากจะใส่บาทเราก็เอาเงินที่จะซื้ออาหารใส่บาทนี้ใส่กระปุกเอาไว้พอวันหยุดทํางานเราไปวัดเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมเราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้ไปถวายวัดได้ <Yeah. S 1> ก็เท่ากับเราได้ทําบุญทุกวัน <Yeah. S 1> นี้คือวิธีทําทานก็จะทําเหมือนกับการรับประทานอาหาร เพราะทานนี้เป็นเหมือนกับอาหารของใจนั่นเองทำทานแล้วใจจะอิ่มใจจะไม่หิวกับของฟุ่มเฟือยต่างๆใจจะไม่หิวกับรูปเสียงเกียรติลดไม่หิวกับการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่หิวกับการดูหนังมหัศล บ, บันเทิงอะไรต่างๆเพราะใจมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจใจจึงไม่หิวอาหารของใจคือการทำทาน ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปเสพกันพวกนี้เป็นเหมือนยาเสพติดยิ่งเสพยิ่งติดยิ่งอยากดูละครเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจบก็อยากจะดูอีกเรื่องหนึง่งดูหนังเรื่องนี้จบก็อยากจะดูอีกเรื่อ ง, งวันนี้ได้ดูละครเดี๋ยวพรุ่งนี้เกิดไม่ได้ดูละครก็รู้สึกอึดอัดขาดอะไรขึ้นไปแต่ถ้าทำบุญทาทานแล้วจะอิ่มใจจะไม่หิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรส ต, ต่าง จะไม่หิวโหยกับการดูละครดูมหัศลสบบันเทิงอะไรต่างๆใจอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้นี่คือประโยชน์ที่เกิดจากการทำทานทำให้ใจมีความสุขความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะน้อยลงไปไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนเห็นอะไรก็จะเฉยๆเห็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า ถ้ามันไม่เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆที่ขาดแคลนจริงๆแล้วก็เฉยๆไม่เห็นจะมีมีอะไรแปลกใหม่กระเป๋าใบนี้กระเป๋าที่เรามีอยู่มันก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันมันก็ใช้ได้เหมือนกันรองเท้าที่เราใส่กับรองเท้าที่เขาโชว์อยู่ในร้านมันก็เป็นรองเท้าเหมือนกันเอามาใส่มันก็ใส่เหมือนกันทาประโยชน์เหมือนกันตอนนี้เรามีอยู่แล้วเราไม่จาเป็นจะต้องมี ใจก็จะไม่หิวโหวยเฉยๆนอกจากว่าถ้าเกิดรองเท้าที่เรามีใส่ไม่ได้แล้วนั่นแหละเราถึงจะไปซื้อใหม่แต่ไม่ได้ซื้อด้วยความหิวความอยากได้ซื้อเพราะความจำเป็นเมื่อมันขาดแค้นเราก็ต้องเอาต้องไปหามาใช้ตามความจำเป็นนี่คือประโยชน์บุญที่เราจะได้รับจากการทำทานการให้ ทำแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจแล้วจะทำให้เรามีความเมตตาความเมตตาคืออะไรคือความคิดความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั่นเองคือไม่อยากจะให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของเราเราทำอะไรนี้เราอยากจะทำให้คนอื่นเขาได้รับความสุขได้รับประโยชน์คนทำบุญทำทานนี้คิดแต่ประโยชน์ของคนรับทาแล้วให้เขามีความสุข เพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่มีความเมตตาจะไม่ชอบทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้ไปทำบุญข้อข้อที่สองต่อไปได้หรือข้อที่สามคือการรักษาศีลการรักษาศีลนี้เป็นบุญที่สูงกว่าการทำทานจะขึ้นไปรักษาศีลได้ต้องทำทานก่อนถ้าไม่ทำทานยัง ยังยังเสียดายเงินทองยังเอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรตามความอยากของตนจะทำให้ไม่คิดถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นเวลาทำอะไรก็จะไม่กังวลว่าทำไปแล้วจะทำให้คนอื่นเขาเสียหายหรือเดือดร้อนหรือไม่ถ้าต้องการอะไรขอให้ได้ทำเพียงอย่างเดียวต้องการร้องเพลงก็เปิดเสียงลั่นบ้าน ชาวบ้านเขาฟังเดือดร้อนก็ไม่สนใจเพราะไม่เคยคไม่เคยคิดถึงหัวอกของคนอื่นคิดแต่หัวอกของตนต้องอยากจะทำอะไรก็ขอให้ได้ทำได้ดังใจอยากคนอื่นจะเดือดร้อนเสียหายอย่างไรไม่สนใจคนที่ไม่ทำบุญจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะทำบุญก็ไม่ได้ทำรักษาศีลก็จะรักษาไม่ได้ รักษาศีลก็คือการระ ง, งับการกระทาที่จะไปทั้งความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองคนที่ทาทานได้เป็นคนมีความเมตตาเป็นคนที่จะคิดถึงความเสียหายเดือดร้อนของผู้อื่นก็จะสามารถรักษาศีลได้อย่างง่ายได้เพราะจะไม่จะไม่อยากจะทำบาปเพราะการทำบาปเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น เช่นการฆ่าเนี่ยไม่มีใครอยากถูกฆ่าใช่ไ้ยเวลาจะถูกฆ่านี้คิดดูด้วเขาเสียหายเดือดร้อนขนาดไหนเห็นเราก็จะไม่อยากจะฆ่าใครไม่อยากจะรักทรัพย์ของใครไม่อยากจะไปประพฤติผิดประเยณีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้ อ, อื่นไม่อยากโกหกหลอกลวงผู้อื่นไม่อยากดื่มสุรายาเมา พอเวลาเมาแล้วนี้จะอาละวาดจะไปสร้างความเดืดร้อนให้แก่ผู้อนนั้นเองก็จะทำให้ผู้ที่ทำบุญนำทานเป็นปกติเป็นนิสัยนี้จะสามารถรักษาศีลได้จะรักษาศีลโดยอัตโนมัติจะมีศีลขึ้นมาทันทีศีลห้านี้จะรักษาได้อย่างง่ายได้พวกที่รักษาศีลห้าไม่ได้ก็เพราะว่าเขายัางไม่คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่น คิดแต่ประโยชน์สุขของตนเองไม่เคยทําบุญทําทานไม่เคยสนใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคิดแต่จะช่วยเหลือตนเองอย่างเดียวแล้วการช่วยเหลือตนเองจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายก็ไม่ไม่สนใจก็ให้เอาตัวของตนเองให้รอดก่อนนี่คือลักษณะของคนเห็นแก่ตัวเป็นอย่างนี้ คนเห็นแก่ตัวนี้จะไม่ชอบทําบุญจะไม่ชอบรักษาศีลเพราะมันขัดกับการเห็นแก่ตัวนั่นเองถ้าไปทําบุญไปรักษาศีลมันก็ทําให้ความเห็นแก่ตัวนี้ทําได้ยากนี่คือวิธีกำจัดการเห็นแก่ตัวด้วยการทําบุญทําทานด้วยการรักษาศีลเราไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะไม่กลับมาหาเรา ถ้าเราไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเดี๋ยวมันจะกลับมาหาเราเราไปขโมยเขาเดี๋ยวเราก็จะถูกตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางหรือไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเขาก็จะมาตามเอาเงินเอทองที่เราไปขโมยเขาคืนไปเราได้มาแล้วเราใจเราจะไม่สงบขโมยของมาแล้วไปฆ่าคนมาแล้วนี่ไปประพฤติผิดประเวณีมาแล้วไปโกหกหลอกลวงมาแล้วนี่ ใจจะไม่สบายใจจะเป็นเหมือนวัวสันหลังหวะมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะตกใจขึ้นมาเห็นตำรวจเดินมาก็ตกใจแล้วทั้งๆตำรวจเขาไม่ดูเรื่องว่าเราทำอะไรผิดเพียงแต่เดินสวนกันเห็นเข้ามาจี้พายแล้วมันตับกูเปล่าเพราะเรามีแผลในใจนั่นเองเป็นเหมือนวัวสันหลังหวะพอมีอะไรไปแตะแผลหน่อยก็สะดุ้งขึ้นมา แต่คนที่ไม่มีแผลนี่จะไม่สะดุ้งคนที่ไม่ทําบาสนี่จะเฉยๆเห็นตํารวจกับดีใจอ๋อมีเจ้าหน้าที่ตํารวจใกล้แล้วปลอดภัยเอแต่ถ้าคนทําบาปแล้วเห็นเจ้าหน้าที่ตํำรวจแล้วไม่ไหวไม่ดีเกลัวจะถูกจับเออนี่คือโทษของการทําบาปจะทําให้เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาป ก, ก็ให้รักษาศีลไว้ให้ดี ในเกิดศีลศีลเบื้องต้นเราเรียกว่าศีลห้ามีอยู่ห้าข้อด้วยกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามาพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็จะได้บุญสองขั้นนะบุญขั้นที่หนึ่งก็บุญที่เกิดจากการทำทานบุญขั้นที่สองก็บุญที่เกิดจากการรักษาศีล เมื่อเราได้สัมผัสกับบุญสองขังน้นนี้เราจะรู้สึกว่าบุญนี้มีคุณประโยชน์มากมันก็จะทําทให้เราอยากจะได้บุญขั้นที่สที่จะมีที่จะมีะมได้จะมีความสุขมากกว่ายิ่งกว่า บ, บุญขัน้นนี่หนึ่ ง, งขั้นที่สองก็บุญที่เกิดจากการภาวนาการปฏิบัติธรรมการจะภาวนาการจะปฏิบัติธรรมนี้ก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มการรักษาศีล ถึงจะสามารถไปปฏิบัติได้ไปภาวนาได้ศีลห้านี้มีกําลังไม่พอเหมือนกับขับรถขึ้นเขานี้ต้องเปลี่ยนเกียร์ใช้เกียร์สีนี้อาจจะขึ้นไม่ไหวอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สามเกียร์สองเพราะกาลังมันไม่พอเหมือนกันการภาวนานี้ต้องใช้กําลังมากการไปฝึกจิตไปอบรมจิตไปพัฒนาจิตใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ต้องใช้กาลังมาก ศีลก็เป็นผู้ที่จะสนับสนุนให้ใจมีกำลังเพิ่มขึ้นก็ต้องรักษาศีลให้เพิ่มขึ้นอีกสามข้อคือให้รักษาศีลแปดตอนต้นเราก็อาจจะลองดูอาทิตย์ละวันเช่นในวันพระในวันที่เราไม่ต้องไปทำงานลองมาหัดรักษาศีลแปดดูถ้าเรารักษาศีลห้าได้เป็นปกติแล้วจะรักษาศีลแปด น, นี้ถ้ายัาง ต้องไปทํางานมันจะไม่สะดวกมันจะยากเพราะว่ามันทํางานก็ต้องกินอาหาราต้องทําอะไรต่างๆที่ศีลแปดห้ามไม่ให้ทําอยู่ถ้าอยากจะทํารักษาศีลแปดเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนามาภาวนามาสร้างความสุขให้กับใจ เ, เราก็ต้องหัดรักษาศีลแปดกันตอนต้นก็ลองอาทิตย์ละวันก่อนวันที่เราหยุดทํางาน วันที่เราไม่ต้องไปทำงานมันจะสะดวกเพราะว่าศีลแปดจะไม่ให้เราแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจะไม่ให้เรารับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วถ้าไปทำงานนี้เรามักจะพักกินอาหารตอนเที่ยงวันมันก็จะกินไม่ได้เพราะตอนที่เราพักมันก็หมดเวลาของศีลแปดแล้วศีลแปดนี้ต้องกินให้ก่อนเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ไม่ให้กิน ถ้าไม่ได้ถือศีลแปดกินแล้วตอนบ่ายหิวก็ยังกินได้กินขนมกินอะไรได้แต่ถ้าถือศีลแปดก็จะกินไม่ได้เน้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยรักษาศีลแปดมาก่อนถ้าจะไปรักษาในวันทำงานนี้ก็จะยากต้องรอจังหวะรักษาในวันที่ไม่ต้องไปทำงานยิ่งถ้าไปอยู่วัดได้ยิ่งดีเพราะถ้าอยู่ที่วัดแล้วมันจะง่ายกว่าอยู่ที่บ้าน ก็อยู่ที่บ้านถ้าเรารักษาศีลแปดคนเดียวคนอื่นเขาไม่รักษาศีลแปดด้วยเดี๋ยวมันก็จะมารบกวนใจเราได้เวลาเย็นเขาก็จะกินข้าวกันเราไม่กินเขาก็จะมาชวนหรือมาเรียกหรือกลิ่นอาหารมันโชยเข้ามาในจมกูกมันก็อาจจะทําให้ใจหิวขึ้นมาได้อยากกินข้าวขึ้นมาได้แต่ถ้าไปอยู่วัดนี่ก็จะมีคนรักษาศีลแปดเหมือนกันก็จะไม่มีอาหารในตอนเย็น จะไม่มีละครไม่มีอะไรให้ดูในตอนกลางคืนมันก็จะทำให้ไม่มีอะไรมามาดึงใจมากวนใจกาถ้าอยากจะหันรักษาศีลแปดอาจจะต้องหาสถานที่ที่เอือ้อเอื้อต่อการรักษาศีลแปดไปอยู่คนเดียวที่ไหนก็ได้ถ้าอยู่คนเดียวได้หรือถ้าไปวัดได้ก็ไปอยู่วัดสักคืนหนึ่งไปถือศีลแปดที่วัด ก็จะสามารถถือศีลแปดได้แล้วเมื่อถือศีลแปดได้เราจะมีเวลาที่เราจะได้มาทำบุญขั้นที่สามคือการภาวนาได้เพราะถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะภาวนาไม่ได้ถ้าเราเอาเวลาไปดูหนังดูละครเอาเวลาไปกินอาหารเย็นเอาเวลาไปร่วมรหลับนอนกับแฟนเราก็จะไม่มีเวลามาฝึกสมาธิมาทำภาวนามาพัฒนาจิตใจ การพัฒนาจิตใจนี้เรียกว่าภาวนานี้ก็มีแบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถะภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาต้องทําเป็นขั้นเหมือนกันต้องผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนถึงจะไปสู่ขั้นที่สองได้ขั้นต้นต้องทําสมถะภาวนาสมถะภาวนาแปลว่าอะไรคือการทําใจให้สงบ ให้ใจเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมาเมื่อใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วใจก็จะสามารถไปสู่ขั้นที่สองของการภาวนาได้คือวิปัสสนาภาวนาก็ให้ไปศึกษาความจริงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนใจก็จะพบว่าไม่มีอะไรที่จะมีความสุขในโลกนี้สิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา เช่น <atar> คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเป็นความสุขปลอมทั้งนั้นเป็นความสุขเดียวๆเพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคนนั้นคนนี้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่จากเราไปเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเขาดีก็เปลี่ยนเป็นไม่ดีได้ของดีก็กลายเป็นของไม่ดีได้พอของดีเคยให้ความสุขกับเราพอมันเปลี่ยนเันของไม่ดีไปมันก็ให้ความทุกข์กับเราแทน เราต้องศึกษาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปรักษาให้มันเที่ยงให้มันเป็นเหมือนเดิมได้มันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปเวลามันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเกิดให้เราศึกษาให้เราทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง พอเรารู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็รู้ว่าเราสู้มาหาความสุขที่เกิดจากสมถภาวนาดีกว่าความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี่เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็หมดไป พอมันหมดไปเราก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันบางคนก็กระโดดตึกตายกันข้าตัวตายกันก็เพราะว่าเขาสูญเสียสิ่งที่เขาคิดว่าจับอยู่กับเขาเป็นของเขาไปตลอดแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไป ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้เราอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอถ้ามีความสงบแล้วเราก็จะปล่อยได้หยุดหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบอยู่นี้ใจเราะเหิวถึงแม้เราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความทุกข์ก็ตาม เราจะรู้ว่ามันไม่เที่ยงก็ตามเราจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงก็ตามแต่เราตอนนี้เราไม่มีความสุขเลยอย่างน้อยเราได้เขามาเราได้ความสุขก่อนแล้วความทุกข์ค่อยว่ากันทีหลังไว้เวลาก็จากกันแล้วค่อยมาล่องห่มล่องห้างกันทีหลังแต่ตอนนี้ขอให้มีความสุขกันก่อนแต่งงานกันก่อนอยู่ร่วมกันไปก่อนเลี้ยงฉลองกันไปก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังมาทะเลาะกันค่อยว่ากันใหม่ วันหลังค่อยมาว่ากันมาหยากันใหม่แต่ตอนนี้ดีกว่าอยู่เปล่าๆตัวเปล่าๆเดียวดายไม่มีความสุขะสําหรับคนที่ไม่มีสมาธิคนที่ไม่ได้มีความสงบทางใจเขาจะคิดอย่างนี้แต่คนที่มีความสงบทางใจแล้วจะคิดว่าไม่เอาอะไรดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่านี่คือทําไมเราจึงต้องมีการภาวนาสองขั้นด้วยกัน ขั้นที่หนึ่งสร้างความสุขให้กับใจด้วยการทาใจให้สงบก่อนเมื่อใจมีความสงบมีความสุขแล้วพอใจมาพิจารณาด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาเมื่อเห็นว่าทุกอย่างในโลกที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าคนที่มีความสงบนี้อยู่คนเดียวไม่เหงาไม่ว้าเหว่ยคนที่เหงาว้าเว่เพราะว่าไม่มีความสงบไม่มีความสุขในใจ ก็เลยต้องไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่ง น, นั้นสิ่งนี้แล้วก็ต้องมาทุกขต่อไปมาล่องห่มล่องไห้เวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เปลี่ยนไปหรือจากไปนั่นเองนี่คือวิธีสร้างบุญขั้นที่สามที่จะทําให้เราสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ทําให้ใจเรามีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด ทำให้ใจของเราไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอใจเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้ากลับมาเกิดก็เท่ากับกับมาหาความทุกข์นั่นเองใจก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปใจก็จะอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตสาวกุกอยู่ที่พระนิพพาน ที่ไม่มีวันเกิดแก่เจ็บตายมีแต่บาร ม, มีสุขเพียงอย่างเดียว น, นี่คือบุญต่างๆที่พระตถาจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันซึ่งวันนี้พวกเราก็ถือว่าโชคดีได้ได้กำไรบุญได้มาทำบุญกันเพราะถ้าวันนี้ไม่เป็นวันหยุดเราก็จะต้องไปทำงานทำการการเดนมาได้ทำบุญก็จะไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นวันไหนถ้าเรามีเวลาว่าง เอาเวลาว่างนี้มาทําบุญกันเถอะอย่าไปชับทําอะไรอย่างอื่นเลยทําอย่างอื่นจะได้ความสุขชั่วคราวความสุขประเดี๋ยวประดาแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปสู้เอาเวลามาทําบุญกันดีกว่ามาฟังเทศฟังธรรมมาทําบุญทําทานมารักษาศีลมาภาวนากันแล้วเราจะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาตามลําดับต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิตโตทินังเป ต, ตานาังอุ ป, ปกาปติอิชิตังปทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโสยะท้าเมเนจตดอหราโสยะทาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตปวัตตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิศนิจังวุฒาปะจายโน จตารโหเทมาวานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมะการปฏิบัติก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตนเองก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาแล้วจะมีพิธีกรอ่านให้ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสา0 y o u t u ปดส8 2วิทยุออนไลน์28รับฟังข้างบนเขาหนึ่งห้าคนรวมทั้งหมดห9 5้า้าครับโอเค okay. ใครอยากจะถามก็ยกมือได้นะจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้ายัางไม่มีก็เอาคำถามที่เข้ามาก่อนก็ได้ คำถามจากข้างบนนี้นะครับกราบขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเพื่อนสนิทของดิฉันมีลูกชายอายุยังไม่ถึงหนึ่งขวบมีอาการลมชักทำให้มีผลต่อสมองและพัฒนาการอย่างมากเพื่อนกังวลและท้อใจมากว่าได้ทำกรรมอะไรไว้ทำไมลูกต้องเจอแบบนี้ดิฉันควรจะปลอบเพื่อนอย่างไรดีเจ้าคะ ก็บอกว่ามันเป็นโลกของอนิจจังไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนที่เกิดมาแล้วนี่มีดีก็มีไม่มีมีไม่ดีก็มีเหมือนโลกของอนิจจังงั้นก่อนที่จะมีลูกทําให้ไม่คิดไว้ก่อนะคิดว่ามีลูกแล้วเรารับกับสภาพเหล่านี้ได้หรือเปล่าถ้าเรารับไม่ได้ก็อย่าไปมีเสียก็หมดเรื่องอสมัยนี้เขาก็มีการอ ป้องกันได้ไม่ต้องตั้งคันได้ถ้าอยากจะมีลูกก็เหมือนซื้อลอตเตอรีแ่แหละมันก็มีหลายรางวัลถูกบ้างไม่ถูกบ้างจะไปเอาตามที่เราต้องการไม่ได้หรอกถ้าได้มันก็ก็ดีกันไปทุกคนแล้วในโลกนี้จะไม่มีคนพิการจะไม่มีคนเจ็บไม่มีคนป่วยจะไม่มีคน อะไรที่เราไม่ต้องการจะมีแต่คนน่ารักน่าดูสวยๆหล่อๆไปหมดมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นโลกของอนิจจ์ไม่แน่นอนยังก่อนจะทำอะไรถึงบอกให้ใช้ปัญญาก่อนถ้ามีปัญญาเห็นว่ามันจะไม่แน่นอนก็อย่าเอามันดีกว่ามีใครรับประกรันได้หรือเปล่าว่าถ้ามีลูกแล้วจะได้ลูกดีจะไม่ได้เป็นลูกที่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีโรคที่ลูกที่พิกพิการหูหนวกตาบอดไม่มีใครรับประกันได้หรอกยั้นถ้าเราไม่อยากจะรับกับสิ่งเหล่านี้ก็อย่าไปมีลูกเสียเท่านั้นก็จบหรือไปถ้าอยากจะได้ก็เดี๋ยวนี้มีเด็กที่เขาไม่มีพ่อไม่ีแม่ก็ไปเอามาเลี้ยงก็ได้อย่างน้อยเราได้เห็นแล้วว่าเด็กนี่ดีไม่พิกลพิการไม่มีโรคไม่มีอะไรแต่ก็ไม่รู้เอเดี๋ยวโตไป ร่างกายอาจจะไม่มีโรคแต่ใจอาจจะเป็นใจไม่ดีขึ้นมาก็ได้ก็ไม่มีใครรับประกันได้ยันถ้ามองด้วยปัญญาแล้วก็จะบอกไม่เอาอะไรดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวดีกว่าคำถามจากทางอินบ็อกซ์คุณตองกราบนมัสตรการเรียนถามครับผมเกิดจากครอบครัวแตกแยกตั้งแต่เด็กพ่อก็มีครอบครัวใหม่ แม่ก็มีสามีใหม่พ่อเลี้ยงชอบเล่นการพนันพ่อแท้ๆไม่เคยหยิบยื่นเลี้ยงดูแม่ก็ชอบทำร้ายข่มเหงตลอดเวลายายเป็นผู้เลี้ยงดูและแม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคร้ายซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กมีทัศนคติไม่ดีกับพ่อแม่แท้ๆผมรักยายดูแลยายและท่านได้จากผมไปปัจจุบันทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองดี แต่ชอบนอนฝันร้ายนานๆนานๆครั้งว่าแม่ชอบมาต่อว่าตลอดแบบตื่นมาไม่สบายในใจเรียกว่าตกนรกไหมครับผมควรทำอย่างไรถึงจะปลดบาปตรงนี้ได้ครับเราต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องคือเราต้องมองเห็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเราว่าท่านมีพระคุณกับเรามาก ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เลี้ยงดูเราหรือว่าท่านโหดร้ายทารุณกับเราแต่สิ่งที่ท่านให้เรานี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครให้กับเราได้คือให้ชีวิตเราให้ร่างกายของเราม า, างั้นบุญคนอันนี้นี่มันใหญ่โตมากกว่าความผิดต่างๆที่พ่อแม่อาจจะทากับเราได้ฉะนั้นเราจึงต้องยกโทษให้อภัยกับการกระทำที่ไม่ดีต่างๆ ที่พ่อแม่ทํากับเราไว้เพราะว่าสิ่งที่ดีๆที่ท่า น, นให้กับเรานี้มันมีมากกว่าหลายร้อยเท่าด้วยกันคือให้ชีวิตเราให้กําเนิดเราให้เรามีโอกาสได้อยู่และสร้างสร้างตัวเราขึ้นมาจนมีฐานะการกินการเงิ น, ก า, งนการทําที่ดีได้เราควรที่จะราลึกถึงพระคุณของท่านเสมอเพราะถ้าไม่มีท่านก็จะไม่มีเราในวันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่า ต่อให้เราเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราดีอย่างไรก็ตามแบกท่านไว้บนบาบนไหลให้ท่านอุจจาะปั ส, สวะถ่ายใส่ร่างกายเราไปจนถึงวันตายเพราะคุณอันประเสริฐที่ท่านมีกับเรานี้เราก็ยังชดใช้ไม่หมดให้เรามองเห็นคุ ณ, ค, ณค่าคุณประโยชน์ของพ่อแม่ที่ให้กับเราแล้วเราจะเห็นสิ่งที่ท่านทำกับเรานี้เป็นเรื่องเล็กไปหมดเป็นเรื่องที่ ไม่สำคัญที่เราควรจะให้อภัยเพราะเราต้องมองว่าพ่อแม่ก็เป็นคนมีกิเลสเหมือนเราท่านก็อาจจะโง่เขาเบาปัญญาหรือมีกิเลสตัณหามีความเห็นแก่ตัวท่านก็เลยด้นลนหาความสุขใส่ตัวท่านเองจนลืมเลี้ยงดูเราก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนมีกิเลสทั่วๆไปก็ต้องเข้าใจและยอมรับว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกัน ที่ต้องมาเกิดมาเจอพ่อแม่แบบนี้แต่อย่างน้อยก็เป็นพ่อแม่ที่ให้กำเนิดกับเราที่เราจะต้องไม่ลืมที่เราจะต้องรำลึกถึงเสมอตอนนี้ถ้าเราอยากจะทำให้ใจเราสบายถ้าพ่อแม่ท่านตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศบุญไปเรื่อยๆอทำบุญแล้วก็ขออุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับบิดามดารดาที่ล่วงลับไปแล้ว ขอให้ท่านได้ไปสู่สุคติเถิดถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เรามีฐานะที่จะเลี้ยงดูท่านได้เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านต่อไปแล้วบาปกรรมความรู้สึกไม่ดีต่างๆในใจเราจะหายไปหมดเราต้องรู้จักให้อภัยเราต้องมองภาพรวมอย่าไปมองแต่เฉพาะภาพเฉพาะจุดเฉพาะช่องเฉพาะมุมถ้าไปมองมุมไม่ดีมันก็ทำให้เราคิดไม่ดี แต่ถ้าเรามองภาพรวมแล้วจะเห็นว่ามีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีในคนคนนั้นแต่สิ่งที่ดีในคนคนนั้นมันมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีมันจะทำให้เร า, เามีทัศน์ทัศนคติที่เปลี่ยนไปได้จะทำให้เราเกิดความรักเกิดความเคารพพ่อแม่ขึ้นมาได้ถึง แ, แม้ท่านจะอาจจะทําอะไรทําให้เราเดือดร้อนตอนที่เราเป็นเด็กไม่เลี้ยงดูเราเท่าที่ควร เราก็ยอมรับสภาพได้ ค, คำถามจากคุณดารามีสามคำถามครับคำถามที่หนึ่งการข้ามเวทนาหมายถึงอะไรเจ้าคะก็คือเวลาเราเจอความทุกข์ทางร่างกายเราจะข้ามมันได้ก็คือเราต้องปล่อยมันอย่าไปอย่าไปทุกข์กับมันนั่นเองนั้นเช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ ยอมรับกับสภาพมันไปเฉยๆทำใจเฉยๆไปอย่าไปอยากให้มันหายหรืออยากจะหนีมันจากมันไปเพราะมันจะทำให้ทรมานให้ทุกทรมานใจถ้าไม่อยากจะทุกทรมานใจก็หัดทำใจให้สงบทำใจให้เฉยพุทโธพุทโธไปถ้าใจเฉยแล้วใจจะอยู่กับทุกขเวทนาได้อยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้ แล้วก็จะผ่านไปได้อย่างสบายต่อไปความเจ็บปวดของร่างกายจะไม่เป็นปัญหากับใจอีกต่อไปคำถามที่สองผู้ที่เป็นพระโสดาบันท่านข้ามพ้นเวทนาได้แล้วหรือยังเจ้าคะ่ะได้แล้วนอกจากเวทนาแล้วก็ความตายด้วยพระโสดาบันนี้จะไม่กลัวความเจ็บจะไม่กลัวความตายจะไม่กลัวความแก่ เพราะท่านแยกใจออกจากร่างกายได้ท่านไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้คนรับใช้เป็นอะไรก็ดูแลเขาไปตามสภาพดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปคำถามที่สปุถุชนที่ยังไม่บรรลุธรรมสามารถข้ามพ้นเวทนาได้หรือไม่เจ้าคะได้บางเป็นเป็นพักๆเช่นถ้าเข้าสมาธิได้ก็พน้นล่วงพ้นไปได้ ชั่วคราวเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาทนไม่ไหวก็เข้าไปในสมาธิใจก็สงบใจก็แยกออกจากความเจ็บชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมากลับมาเจอความเจ็บก็จะทรมานใหม่เพราะยังไม่ได้ล่วงพ้นแบบถาวรคำถามจากคุณทวีกราบขอถามเจ้าค่ะขันห้าภายในภายนอก เป็นยังไงหรือเจ้าคะภายในก็ขันห้าของเราไงเรามีขันห้าเรามีร่างกายเรียกว่ารูปประขันเรามีความรู้สึกนึกคิดเรียกว่านามขันคือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นขันขันห้าของเราเราเรียกว่าขันห้าภายในขันห้าภายนอกก็ขันห้าของคนอื่นไงคนอื่นที่เขาก็มีขันห้าเหมือนกันเรียกว่าขันนอกอันห้านอกภายนอก ร่างกายของคนอื่นก็มีขันห้าร่างกายของเราก็มีขันห้าภาษาพะระท่านกำังแยกขันทั้งสองอันนี้เป็นขันนอกกับขันในคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์นำเงินที่ลูกให้ไปทําบุญลูกจะได้รับส่วนบุญด้วยไหมเจ้าคะ๋ลูกได้ได้ตั้งแต่ให้เราแล้วตอนที่เขาให้เรานี้ยเขาทําบุญกับเราเย การให้เกิดการทําบุญไม่ว่าใครก็ให้เขาก็ได้ทําบุญแล้วส่วนเงินที่เราได้รับจากเขานี้อยู่ที่เราเป็นของเราถ้าเราไปทําบุญเราก็ได้บุญถ้าเราไปกินไปใช้เราก็ไม่ได้บุญแต่ลูกเขาได้บุญอยู่แล้วไม่ว่าเงินที่เราจะไปใช้ในทางไหนก็ตามคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีสองคำถามครับคําถามที่หนึ่ง การปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านทำไมถึงไม่รู้สึกสงบเหมือนไปทำที่วัดเจ้าคะเพราบรรยากาศสิ่งแวดล้อมมันไม่อื้อต่อความสงบนั่นเองอยู่ในบ้านมีเสียงเอากทึกคึกโคมมีกิจกรรมมีคนพลุกพล่านอะไรต่างๆมันก็จะมารบกวนการทำสมาธิของเราการสวดมนต์ของเราถ้าไปอยู่วัดนี้ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่มา รบกวนใจแต่สนับสนุนให้ใจเข้าสู่ความสงบเพราะสิ่งแวดล้อมสงบท่านถึงบอกว่ากายวิเวกจิตถึงจะวิเวกต้องกายคือสถานที่รอบกายนี้ต้องสงบเมื่อสงบแล้วเวลาจะมาทำใจให้สงบมันก็ง่ายคําถามที่สองถ้าปฏิบัติที่บ้านเวลาไหนถึงเหมาะเจ้าคะทุกเวลา เวลาเทโอตเราว่างจริงเราปฏิบัติได้ทั้งวันเพราะการปฏิบัติมีหลายชนิดด้วยกันชนิดที่เราปฏิบัติได้ตลอดเวลาก็คือสติเราสามารถเจริญสติได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเราก็ควบคุมใจอย่าไปให้มันไปคิดเพ้อเจ้าเพ้อฝันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่เรากําลังทําอยู่กําลังอาบน้ําก็ให้มันอยู่กับการอาบน้ํากําลังล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟัน อย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นการเจริญสติถ้ามันจะไปแล้วก็ใช้คำบริกรรมพุทโธดึงเอาไว้ก็ได้ถ้าอาบน้ำมันยังไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ำไปแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วส่วนการจะนั่งสมาธินี้เราต้องรอเวลาที่เราว่างไม่ต้องทาอะไร พอเราว่างเราก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปเลือพุทโธไปเดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้ยิ่งถ้าอยากปฏิบัติพยายามปฏิบัติทุกเวลาที่เราว่างที่เราไม่ต้องทําภารกิจอะไรเอามาปฏิบัติทำมานั่งสมาธิกันเวลาที่เราต้องทํากิจกรรมก็ใช้การสร้างสติจเจริญสติควบคู่ไปกับการทํางานได้ คำถามจากคุณแม่หญิงกราบนมัสการเรียนถามกรณีการรับศินแปดอุโบสถศินที่บ้านในวันพระมีวิธีการอย่างไรเจ้าคะไม่มีหรอกศินแปดขอให้เรารู้ว่ามันเป็นอะไรเท่านั้นเองมีกี่ข้อดูแล้วเราก็ตั้งกิจ ต, ตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาสินแปดก็รักษาไปเท่านั้นเองเรื่องพิธีกรรมนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ อยากให้พระมาตั้งนโมแล้วว่าปานาติปาตาก็ได้ไม่ไม่ตั้งนโมไม่ต้องมาว่าปานาติปาตาก็ได้ถ้าเรารู้ว่าสินแปดที่เราจะรักษานี่มีอะไรบ้างอยู่ที่ว่าเราจะรักษาหรือไม่รักษาเท่นานะั้นแหะที่สำคัญคำถามจากคุณพรนิพาในชีวิตประจาวันขณะที่ไม่ทางานที่ต้องคิดบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธ โดยให้รู้สึกตัวกับพุโทโธปฏิบัติแบบนี้จะถูกต้องไหมคะถูกต้องขอให้เราอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจะคิดก็คิดเรื่องที่จําเป็นเช่นเรื่องงานที่เราต้องทําตอนนั้นเราก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวก่อนคําถามจากคุณพิทักษ์กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับในขณะที่จิตอยู่ในความสงบมีสติ อยู่แค่กับตัวรู้เพียงอย่างเดียวว่าจิตในขณะนั้นสงบแล้วไม่มีความคิดใดๆเกิดขึ้นมาเลยจิตรักษาความสงบได้ซักระยะหนึ่งเวลาต่อมาจิตมีความรู้สึกว่ามีความสบายใจความสงบใจเย็นใจจนคลายออกมาจากความสงบที่เคยสัมผัสเมื่อก่อนหน้านี้เช่นนี้เรียกว่าจิตถอดตัว ถอดตัวออกมาเองใช่ไหมครับถ้าจิตเริ่มคิดก็แสดงว่าจิตเริ่มถอนออกจากความสงบถ้าอยากจะให้มันสงบต่อก็ใช้สติหยุดความคิดไว้วจิตก็จะกลับเข้าไปสู่ความสงบต่อได้พยายามรักษาจิตให้อยู่ในความสงบให้ได้นานที่สุดเพราะว่าเป็นเหมือนกําลังเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ยิ่งสงบนานเท่าไหร่จิตก็จะมีอุเบกขามากขึ้นไปเท่านั้น อเบกขาเนี่ก็จะเป็นพลังของจิตที่เราจะใช้ต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆต่อไปเวลาที่เราออกอยากสมาธิมาคำถามจากคุณจามจุรีกราบเรียนถามพระอาจารย์จิตมัดจิตมักหม่นหมองยามสติเผลอมีคนทำไม่ดีกับเราทั้งทางกายวาจาใจขอพระอาจารย์เมตตารมมีวิธีใด ทำให้บรรเทาความเจ็บปวดนี้ได้ก็กลับมาหาสติซิกลับมาหาพุทโธพุทโธพอเราเริ่มรู้ว่าจิตเราเศร้าหมองเราก็ใช้พุทโธนี้ระ ง, งับไปก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไปห้านาทีก็ลืมละลืมเรื่องที่เขาทํากับเราจิตก็จะกลับมาเป็นปกติไม่เศร้าหมองแต่มันเป็นการระ ง, งับชั่วคราวถ้าเรากลับไปคิดถึงเรื่องที่เขาทําให้กับเราเราก็จะเกิดความเศร้าหมองได้ ถ้าอยากจะให้หายเศร้าหมองอย่างเด็ดขาดเราก็ต้องใช้ปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมามันไปมันเกิดมันดับเราไปห้ามมันไม่ได้เราไปห้า ม, ม, น ม, าามคนนั่นคนนี้ไม่ให้มาทํานั่นทนํานี่กับเราไม่ได้เขาจะทําก็ปล่อยเขาทาไปถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ทําแล้วเราจะไม่เศร้าหมองเราจะรู้สึกเฉยเฉยอยากจะทําก็ทําไปเหมือนเวลาฝนตก เรารู้ว่าเราห้ามฝนตกไม่ได้ก็ปล่อยมันตกไปอย่าไปอยากให้มันไม่ตกแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราอย่าไปอยากไม่ให้เขาทำร้ายเราเร า, เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาเขาทำร้ายเราเพราะเราถือว่ามันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้มีทั้งคนที่จะทำดีกับเรามีทั้งคนที่จะทำร้ายกับเราถ้าเราหลีกไม่ได้หลบไม่ได้ก็ต้องทำใจรับกับมันไป คำถามจากคุณวิราวนพระอาจารย์เจ้าคะถ้าเราไปบริจาคเลือดให้โรงพยาบาลจะได้บุญไหมเจ้าคะได้กับเลือดนี่ก็เป็นสมบัติของเราอย่างหนึ่งเป็นทรัพย์ของเร า, าเลือดการบริจาคเลือดนี่ก็ได้บุญเหมือนกันคำถามจากคุณชมพูนุษย์เรียนถามพระอาจารย์พี่เสียชีวิตไปแล้วเราเอาของเขามาใช้ อย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อสองไหมเจ้าคะอยู่ที่ว่าเป็นของเราหรือไม่คือเขายกให้เราหรือเปล่าหรือผู้จัดการมรดกเขาแยกแบ่งมาให้เป็นของเราแล้วเราก็ไปใช้ได้แต่ถ้าเราไปแย่งการแบอวของที่เขายังไม่ได้ให้เรามาใช้นี่ก็เป็นการขโมยนัย่นก็ต้องดูก่อนว่าของที่เราได้มานี้ได้มาด้วยความชอบรมหรือไม่ถ้าไม่ชอบรมก็อย่าเอาไปใช้ คำถามจากคุณวิราวัรการนั่งสมาธิจะเกิดบุญขณะจิตที่สงบหรือไม่เจ้าคะบุญคือความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยบุญมีหลายระดับด้วยกันบุญที่เกิดจากการทาทานพอให้ปั๊บมันก็เกิดความสงบในระดับทานขึ้นมาบุญที่เกิดจากการรักษาศีลพอลระงับการทำบาปได้บุญความสงบใจก็เกิดขึ้นมา แต่ความสงบในของแต่ระดับไม่เท่ากันระดับทานนี่น้อยกว่าระดับศีลระดับศีลนี่น้อยกว่าระดับสมาธิแต่การจะได้ระดับที่มากกว่านี้ก็ยากกว่าระดับที่ง่ายกว่าการให้ทานนี้จะได้บุญทันทีง่ายพอบริจาคเงินปั๊บบุญเกิดขึ้นทันทีการได้บุญจากการรักษาศีลนี้ยากกว่าเพราะว่าจะต้องเกิดเวลาที่เกิดความอยากจะทําบาปแล้วก็หยุดมันได้หรือเปล่า อยากจะดื่มสุดาแล้วเปลี่ยนใจไม่ดื่มวะเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะเกิดบุญขึ้นมาในตอนนั้นตอนนี้นั่งเฉยๆยังไม่มีความอยากดื่มโซดายังไม่เกิดบุญจะเกิดบุญตอนที่เกิดความอยากดื่มสุดาขึ้นมาแล <Ori. S 1> ้วเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าหยุดดื่มดีกว่าอยากจะขโมยเงินของคนอื่นแล้วหยุดมันดีกว่าตอนนั้นอ่ะมันถึงจะเกิดผลไม่ใช่ตอนที่เรานั่งเฉยๆตอนนี้มันไม่เกิดผลเพราะยังไม่มีความอยากจะทําบาป ต้องรอให้เกิดการความอยากจะทำบาป ก, ก่อนแล้วเราหยุดความอยากนั้นได้ด้วยการถือศีลเป็นข้อป้องกันพอเราไม่ทำบาปเพราะความอยากที่จะทำบาป ก, ก็ดับไปพอความอยากดับไปใจก็สงบสุขขึ้นมาทันทียิ่งการภาวนายิ่งยากใหญ่การจะภาวนาบุญที่เกิดจากการภาวนายิ่งยากใหญ่เพราะกว่าจะเกิดได้นี้บางทีนั่งหลายปีแล้วยังไม่สงบสักที นั่งได้เพียงแต่พุโทโธพุธโทโธไปดูลมไปแต่ยังไม่เข้าสู่ความสงบอย่างนี้ก็ยังไม่ได้บุญคนจึงเข้าใจผิดกันคิดว่าสามารถอุทิศบุญที่เกิดจากการรักษาศีลภาวนาได้ซึ่งความจริงมันยังไม่เกิดมันเป็นเพียงแต่การปลู ก, ลกบุญเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้เกิดบุญบุญที่เกิดได้ง่ายที่สุดก็คือการทาทานเนี่ยขาถึงนิยมให้เราทาทานแล้วอุทิศบุญให้แก่ผู้ร่วงรับไปแล้ว อย่าไปอุทิศบุญด้วยการรักษาศีลภาวนาเพราะเรายัางไม่ได้ผลเรากำลังปลูกบุญเหล่านี้อยู่คำถามจากคุณชัยภาสิทธ์อยู่บ้านเราขอศีลแปดเองได้ไหมครับได้ไม่ต้องขอก็ได้ขอให้เรารู้ว่าศีลแปดคืออะไรแล้วก็รักษามันท่านเองคำว่าขอก็คือขอศึกษาขอความรู้ว่า ศีลแปดมีอะไรที่เราไปขอศีลพระเพราะเราไม่รู้ว่าศีลแปดมีอะไรพระก็ต้องสอนเราว่าศีลแปดมีปานามีอะไรว่าไปตามตามนั้นไปเท่านั้นองการขอศีลก็คือขอการขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรื่องศีลว่ามีอะไรบ้างถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปขอศีลไม่ได้มีไว้เพื่อขอมีไว้เพื่อรักษาเมื่อเรารู้แล้วถ้าเราอยากจะมีศีลเราก็ต้องรักษามันไป ถึงจะเกิดศีลขึ้นมาคําถามจากคุณศ <c oughs> ักชัยการบริจาคโลหิตเราสามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพวกเขาจะได้บุญไหมครับพระอาจารย์ได้ได้เนี่ยเพราะพอเราอุทิศบริจากเลือดปับ๊บเราก็เกิดบุญขึ้นมาทันทีหรือบริจากอวัยวะก็ได้มีไตแบ่งให้ใครไปสักไตหนึ่งนี่ก็อันนี้ก็ได้บุญ แต่ถ้าบอยจากตอนที่ตายแล้วไม่ได้บุญจะเราเขียนพินัยกรรมไว้เลือกไปติดต่อกับโรงพยาบาลไว้ว่าถ้าตายแล้วขอขอมอบร่างกายให้กับโรงพยาบาลอาวัยวะต่างๆโรงพยาบาลจะเอาไปให้ใครก็ได้อันนี้เราไม่ได้บุญเพราะเราตายไปก่อนตายไปก่อนที่เราจะให้ตอนที่เราอยู่เราไม่ได้ให้เราเพียงแต่บอกเจตนาเขาว่าเราจะให้เจตนายังไม่ได้เป็นการให้ ต้องให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ถึงจะได้บุญเช่นให้เลือดบริจาคตาไปข้างหนึ่งบริจาคอาวัยว่าปอดไปข้างหนึ่งไตไปข้างเนงในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยถึงจะได้บุญคำถามจากคุณพร น, นิพากราบเรียนถามพระอาจารย์เมื่อนั่งสมาธิจิตรวมลงวูบลงลึกสงบเย็นมีความสุข นิ่งนานเป็นชั่วโมงแล้วจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็พยายามทำให้มันชำนานก่อนทำให้สามารถเข้าเข้าสู่สมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการถ้าเราชำนานจนกระทั่งเรามีมอุเบกขาตลอดเวลาออกจากสมาธิมาใจยังเย็นยังมีอุเบกขาเราก็ใช้ครั้นนี้ใช้ใช้อุเบกขานี้สนับสนุนในการไปเจริญปัญญา ไปเจรานวิปัสนาไปสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจเรายังอยากได้อยู่นั้นเป็นทุกข์อย่าไปอยากอย่าไปอยากได้อะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปอยากอยากเราจะทุกข์สู้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเรามีความสงบมีความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็จะไม่เดือดร้อน เราอยู่คนเดียวได้เราก็จะละสิ่งต่างๆที่คนในโลกนี้ละกันไม่ได้คือลาบยศสรรเสริญคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอ้าวาเราละได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับลาบยศสรรเสริญไม่ต้องทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอีกต่อไปคําถามหมดนี่คือการปัญญาขั้นแรกต้องสมาธิก่อนพอได้สมาธิแล้วถึงพอชํานาญในสมาธิแล้วถึงค่อยไปฝึก ปัญญามิโยมอยากจะถามปัญหาทนี้ส่งมาใ้ไปไหนกลับรับกลับพระอาจารย์มิโยมอยากถามว่าคนมีปัญญากับคนฉลาดต่างกันอย่างไรเจ้าคะเออปัญญาไม่สองทางไงทางโลกกับทางธรรมปัญญาทางโลกนี่เขาเรียกว่าฉลาดแต่แม่เฉลียวปัญญาทางธรรมนี่ทั้งฉลาดทั้งเฉลียวทางทางโลกนี่จะเห็น เป็นเห็นวิธีหาความสุขต่างๆในทางโลกหาเงินหาทองหาข้าวหาของรู้จักเอาตัวรอดแต่ไม่เฉลี่ยว่าการหาความสุขแบบนี้เป็นการหาความทุกข์คนที่มีความปัญญาทางธรรมนี้จะเห็นว่าการหาความสุขทางโลกนี้เป็นการหาความทุกข์เพราะความทุกข์ทางโลกเป็นเป็นความสุขทางโลกเป็นความสุขชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องจากกันไปหมดกันไปงั้นคนฉลาดทางธรรมนี้จะมีทั้งฉลาดและเฉลียวเหมือนปลาที่เห็นเหยื่อที่ติดปลายเบ็ดจะรู้ว่ามีเบ็ดอยู่ด้วยจะไม่ไปฮุบเหยื่อนั้นแต่คนที่ฉลาดนี้จะเห็นว่าเหยื่อกําลังรออยู่ก็จะไปฮุบเพราะไม่เห็นเบ็ดเพราะไม่เฉลียวไม่คิดว่าจะเป็นกับดักคนฉลาดจะเห็นว่าความสุขในโลกนี้เป็นเหมือนกับดักของความทุกข์ ถ้าไปติดกับความสุขทางโลกแล้วก็จะต้องทุกข์เพราะความสุขทางโลกมันไม่แน่นอนมันมีเจริญมีเสื่อมได้พอมันเสื่อมมันก็จะทำให้ใจทุกข์จะหลาดทางธรรมก็จะไม่ไปหาความสุขทางโลกไปหาความสุขที่แท้จริงคือความสงบอ่ามีไหมคาถามครูกัต ค, ครับเขาอกาสค่ะพระอาจารย์ค่ะมีขั้นตอนการพิจารณาอาหารได้ยังไงบ้างค่ะปัจจุบันที่โยมทําคื อ, อ, อพยายามพิจารณาอาหารแต่ว่าบางครั้งคือมันพยายามพิจารณาอาหารทุกคํำข้าวแต่ว่าบางครั้งมันสตินันไม่ได้แนบกับทุกครั้งจะมีวิธียังไงได้บ้างสําหรับพิจารณาอาหารค่ะคือการพิจารณาอาหารนี้พิจารณาเพื่อไม่ให้เรารับประทานอาหารด้วยความอยาก ให้เรารับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยารับประทานเพราะต้องรับประทานรับประทานเป็นเวลาเหมือนกับยาที่หมอเขาให้มาเขาจะมีเขียนบอกให้รับประทานตอนไหนแต่เรามักจะรับประทานอาหารด้วยความอยากและรับประทานเวลาเกิดความอยากเราก็จะหยุดรับประทานไม่ได้อยากจะรับประทานขึ้นมาทันทีถ้าเราอยากจะระงับการ รับประทานอาหารด้วยความอยากเราก็ต้องพิจารณาดูสภาพของอาหารที่มันไม่น่าดูอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานนึกถึงอาหารในจานน้ำลายไหลนะให้นึกถึงเวลามันอยู่ในปากเวลามันอยู่ในท้องเวลาที่มันถ่ายออกมาถ้านึกถึงอาหารในสภาพเหล่านั้นมันก็จะทำให้ไม่อยากรับประทา น, นนี่คือวิธีการพิจารณาอาหารให้พิจารณาอย่างนี้ ถ้าอยากปั๊บเรีกถึง TA, อาหารที่กําลังเคี้ยวอยู่ในปากมันอร่อยน่าขายออกมาดูหน้าตามันหน่อยสิแล้วค่อยเอากลับเข้าไปรับประทานใหม่ดูสิว่ามันจะรับประทานได้มั้ยทำไมอยู่ในปากอยู่ในปากกืนได้กินได้พอขายออกมาใส่ในจานแล้วตักเข้าไปใหม่ตักไม่ได้ใช่แล้วอันนี้แหละเป็นตัวที่จะหยุดความอยากแล้วต่อไปเราจะรับประทานตามความจําเป็นถึงเวลาก็รับประทานยังไม่ถึงเวลาก็ไม่รับประทานเพราะไม่หิวไม่อยาก พออยากเมื่อไหร่ก็คิดถึงปฏิกูลของอาหารขึ้นมาทันทีเบีกไหม 100, 000, 000, 000. อาสงฆ์มักลังไหนนี่ขออภัยัามันชัาจะจะเป็นตะคิวคำถามจากทางอินบ็อกซ์ครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนรมสการพระอาจารย์ค่ะ หนูอยากถามว่าหนูมีปัญหากับแม่จนคิดน้อยใจและบอกแม่ว่าเอาชีวิตหนูคืนไปเลยจนแม่หนูกโกรธและคว้ามีดจะมาทำร้ายตนเองแต่หนูได้ดึงมีดแย่งมีดจากแม่ไว้จนมีดบาดหนูเองหนูอยากถามว่าการกระทำที่เกิดขึ้นหนูบาปกับแม่มากไหมคะก็ไม่ควรทำหรอกไม่ควรที่จะไปพูด ที่จะทำให้แม่เสียใจให้แม่โกรธเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเวลาเราพูดจากับแม่ต้องมีสติให้มากๆคิดว่าเรากำลังคุยกับพระก็แล้วกันเราต้องมีความเกรงอ ก, อกเกรงใจยำเกรงไม่ควรจะพูดอะไรควรจะพูดแต่เฉพาะเรื่องที่เราต้องพูดเท่านั้นอย่ า, อาระบายอารมณ์ใส่แม่ ถ้าเรามีอารมณ์นี้เราปลีกตัวไปฮะไปสงบสติอารมณ์ก่อนหรือต้องคอยควบคุมด้วยพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันพูดออกมาด้วยอารมณ์เพราะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นเป็นสิ่งที่จีรังถาวรนะงั้นเวลาเรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็อย่าไปพูดกับใครแล้ว วิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีความรู้สึกดีต่อหน้าก็ให้นึกถึงพระคุณของท่านมากๆความดีของท่านมีอยู่เยอะแยะเรามองไม่เห็นตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆพ่อแม่ทุกยา ก, กับเรามากเราจะปวดจะฉี่จะกินอยากจะอะไรก็ล่องขึ้นมาดึกๆดื่นๆพ่อแม่นอนดับก็ต้องตื่นขึ้นมารับใช้เรารับตอบสนองความต้องการของเราพ่อแม่เนี่ยเป็นคนรับใช้ของเรามาไม่รู้กี่ปีด้วยกัน อย่าไปออย่าไปพูดว่าเอาชีวิตคืนเพราะมันเป็นการเห็นแก่ตัวพูดแบบนี้เวลารับใช้บริการเขาก็ให้เขรับใช้ทำเต็มที่พอโกรธเขาหน่อยก็บอกเอาคืนไปมันมันคืนไม่ได้เนี่ยของอย่างนี้ใช่ไหมเอเมื่อเราเป็นหนี้เขาแล้วเราก็ต้องใช้หนี้เข า, เาด้วยการเคารพด้วยความสำนึกในบุญคุณของเขาแล้วต่อไปถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ต้องตอบแทนเขาไป เราลืมนึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่กันโบรานก็นึงสอนว่าก่อนนอนให้กราบพ่อกราบแม่ตื่นขึ้นมาให้กราบพ่อกราบแม่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็กราบที่หมอนนั่นะกราบเพื่อให้เร า, เราลำนึกถึงพระคุณของท่านถ้าเราไม่กราบแล้วบางทีเราลืมเพราะว่าชีวิตของเรานีุวุ่นวายกับการหาอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเราบางทีเราลืมพระคุณของท่านไป เลยไม่เห็นความสำคัญของท่านเวลาพบปะกับท่านก็ไม่ให้ความเคารพเท่าที่ควรหมดหรือยางาคำถามจากคุณสลายุกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับตอนนั่งสมาธินิ่งสงบสบายรู้สึกมีความสุขพอเอาสติไปรู้ตัวว่าสงบมีความสุขมันก็หายไปกลับมาบริกรรมอีก เกิดอะไรขึ้นครับและควรทําอย่างไรดีครับเพราะเราไปคิดถึงมันอย่าไปคิดถึงมันให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆถ้ามันคิดก็แสดงว่าความสงบยังไม่เข้าเต็มที่ก็เราก็ต้องบริกรรมใหม่ต่อสติเราที่สัสงใจให้เข้าสู่ความสงบมันหมดกําลังลงความสงบนั้นก็หายได้ถ้ามันหายเราก็ต้องเจริญสติใหม่พุทโธใหม่ดูลมใหม่ต่อไป